เทศอบรมพระวันที่23กรกฎาคม 2,522 เทศกันนี้ท่านอาจารย์พระมหาบัวยาณสัมปันโนบันทึกไว้กันนี้ดีมากเด็ดมากเทศให้ระวังรักษาใจให้ดีทุกเพราะกิเลสทาพิษมันทุกมากจำไม่ลืมความมุ่งมั่นมากความเพียรก็มากกิเลสออกจ้านทม กิเลสรวดเร็วมากระวังให้ดีปลุกใจดีมากรรมนอกในคัมภีกิเลสรมอยู่ที่ใจมีอิทธิรูปังด้วยในนี้ห้ามอัดไปที่อื่นกันนี้ดีถึงที่สุดกันเทศหน้าบีเทศจิตประพัดสอนจนถึงจิตว่างจากตัวเองและพูดเรื่องถามปัญหาหลวงปู่แหวน หลวงปู่ขาวหลวงปู่บัวน้องแสงหลวงปู่คำดีถ้ำผาปู่พูดเรื่องการรับพระเนนมากไม่ดีปกครองลำบากให้ผิดผให้มีความรู้สึกผิดปกติขึ้นมาในอวัยวะส่วนต่างๆที่รับผิดที่จิตเป็นครับผิดชอบ และอุปทานยึดมั่นอย่นั้นแล้วมันจะต้องแสดอาการความไม่ดีขึ้นภายในจิตใจโรกของใจจึงเป็นเรือกํำเริกได้ง่ายเรื้อรังและรัไม่ค่อยลงด้วยเราทัง ล, ล, ละาสาษาไปโดยระมัดับวังอย่างน้อยก็ใา้จิตมีความสงบมี ความสงบเป็นความร่มเย็นเป็นที่อยู่อาศัยของจิตก็ยังสบายพระเราถ้าหากว่ามีความสงบภายในจิตเลยมันก็ไาจิดอะไกับพระวาทเขาแล้วกเดือดร้อนอยู่ภายในจิตด้วย ว, วยุ่นวาย่ายแสเพราะฉะนั้นตรงกำหนดอัด ร, รมของพระพุทธเจ้าที่ทรงอังสอนไว้ไว้แล้วอย่างไรทุกคมพี ชี่บอกตั้งแต่เรื่องการทั้งฝวมระวังระวังทวารทั้งหกอจรภายนอกกับไอจันระภายในอจันร์ภายนอกจะกระทบ ก, กันไม่ยินดีในรูปเสียงกลิ่นรดเครื่องสัมผัสหนัะหนึบคือท่านบอกไม่ยินดีจำให้ฟังให้ถึงใจที่เรียกว่าทำแต่ไม่ชอบแล้วไม่ผิด ไม้ยินดีนรูปเสียงเปดลดกยนโน้องสัมผัสเวลามาสัมผัสตาหูางองจกเนือง่ายใจการไม้ยินดีเราจะทำยังไงเราต้องมีการบังคับบัญชาการพิจารณาแก้ไขหลีกเลี่ยงสิ่งที่จะมันจะทำให้ยินดียินด้ายไม่เช่นนั้นไม่เรียกว่าผู้ปฏิบัติต้องมีความจดจ่อต่อเนื่องกันกันกนกบการรักษาจิตทั้งตัอยู่เสมอจึงเชื่อผู้ภาวนา หรือผู้รักษาใจการรักษาใจนอกจากนั้นก็บำบุงใจรักษาไม่ยุ่งกับสิ่งต่างๆบำรุงก็คือทำความสงบร่วมเย็นให้แก่ใจแล้วพิ น, นาราโดยอุบายทางด้านปัญญาเพื่อถอดเพืถอนสิ่งต่างนี่อาร่บำบุด้วยความภาพเพืยอนในแง่ต่างๆเป็นการบำรุง เราเคยเป็นท่านหนุ่มน้อยมาแล้วที่เด็กพลุ่มพลังพลานหัวใจนี่เคยเป็นมามามากต่อมากแล้วไม่ลืมทุกทรามเป็นคารวะไม่คอยจะจดจําอะไรมากนะักแต่ทุกในเวลาเป็นพระทุกภายใจิตใจในเวลาเป็นพระนี้รู้สึกได้ จ, จดจําได้ดีและเป็นพระติดได้ อย่างเหมาะสมอย่างยิ่งทีเดยวออมาปฏิบัติจิตมันดิ้นมันดิบเวลาจ้าเข้าได้ขอเข็มจริงจริงวิเลตันหาอาสาแต่ก่อนเวลาเรียนหนังสืออยู่ก็เหมวอนไม่มีแต่เวลาออกมาปฏิบัติที่จะเข้าได้ขอเข็มจริงๆกับมาชนเจของต่อสู้เจของ ต้องฟัดต้องเวียมมันเต็มที่เปินฐานตั้งแต่วันปฏิบัติมาผมไม่เคยได้รับความสะดวกสบายอยู่เฉยเฉยได้เลยเป็นปกตินิสัยของเราอย่างนี้ด้วยคือทามันจริงจริงนี่เพราะความมุ่งมั่นต่อต่อธรรมไม่ใช่มุ่งมั่นแบบธรรมดามุ่งมั่นเพราะความพ้นทุกข์เป็นคําแน่นหนามั่นคงอยู่ภายในจิตใจ เพาก่อนที่จะออกปฏิบัติได้มีความเชื่อความสงสัยในศาสนาธรรมอยู่แล้วว่ามรรคผลนิพพานเป็นสิ่งที่เราจะพึงได้โดยไม่ต้องสงสัยเพราะความเชื่อของเราว่ามรรคผลนิพพานมีถึงยังไม่เต็มใจยังไม่เต็มเม็ดเต็มหม น, นึ่งก็ตามเลยไปรับโอว่าจาขอแม่ครูบาอาจารย์มั่นแล้วนั่นเป็นอันว่าปลดเปลือ้องลงได้หมดร้อยเปอร์เซ็นเป็นความเชื่อตามสามัญได้กิจ เราร้อยเปอร์เซ็นไม่มีสงสัยแล้วเรื่องพระผลิภานเพราะท่านเปิดเผยออกมาให้ฟังทุกแง่ทุกมุม น, นั่นแหะที่นี่ไอ้ความมุ่งมั่นมันก็สมบูรณ์เต็มที่ไม่มีแบ่งสู้แบ่งรับกับแง่เดาให้เป็นความสงสัยพอที่ให้ความมุ่งมั่นนั้นลดน้อยถอยลงไปใเกิดความเพิ่มความมุ่งมั่น เ, เป็นเดิมเมื่อเป็นเป็นน้องความเพียนมันก็ต้องหนักปกติมันหนักมาแล้วตั้งตองออกมาปฏิบททัติทีแรกัน เริ่บบอกมาก็ตั้งใจจะภาวนาเพื่อให้เห็นจิต ด, ดวงที่เคยเห็นเคยรู้แล้วตั้งแต่สมัยเรียนหนังสืออยู่มจิตเคยเป็นให้แสดงความบริสันต์ให้เห็นเราจำไม่ลืมดวงร่างวัวเห็นเราแสดงความแปลกประหลาดบริสันต์ให้เห็นสามหมดนดนั้นเรียนหนังสือทั้งหลายปีเพราะการทรําภาวนาเราทําอยู่มาอยู่นะไม่เป็นไม่รับออกปฏิบัติแล้วออ ทีนี้จะเอาจิตดวงนี้ให้ได้อนี่เป็นข้าพื้นนะหมายถึงว่าอันเริ่มแรกยังอาจจะต้องเอาจิตดวงที่เคยรู้เคยเห็นที่แปลกประหลหาดแต่นั้นให้ได้อแล้วทห้ได้โดยลำหนะับไม่มีความว่าถอยเราเปจะนั่นกันต่อสู้กับที่ทนาอสุวัสดิ์ซึ่งเป็นค่าศึกซึ่งเป็นเจ้าอํานาจเคยบังคับบัญชาจิตใจของเรามา จนกระทั่งจิตหมอจงจมไม่เคยเห็นโทษทั้งมันเลย น, น, นานเท่าไหร่เราไม่ทราบเลยแล้วจ ะ, จ, ะจับฟาดจากฟันจากฟาดจับเบี่ยงออกจากจิตใจด้วยวิธีการใดต้องทําสุดกําลังความสามารถออเอาตป็นตายเขา้าความตายเราเป็นเราตายเข้าว่ากันมาเปฉะ น, นั้นความเปลี่ยนต้องหนักต้องทุกข์ต้องลาบากแต่ว่าทุกข์เพื่อจะผ่าถ อ, อนอกิเลสมันก็เหมือนกับคนเป็นทุกข์ พวกน้ามวยกําลังต่อยกันยังไงถึทุกมันก็ม่คําคำนึงถึงเรื่องความทุกข์เราะความระมัดระวังตัวแล้วความที่จะต่อยเขาให้อยู่ในเนื่อมวยนอกเขาหนึ่งมันมีกำลังมากกว่าที่จะมาคิดเรื่องความทุกข์ความลําบากในเวลาชกหรือต่อยกันอันนี้เราก็มันลืมไปถึงเรื่องที่จะมาคิดความคิดเรื่องความยากความลําบากในการประกอบความเพียรเพราะมันความมุ่งมั่นมันอยู่โน้นมันหนักยิ่งกว่านี้ ต่อสู้กันไปเรืเ่อยๆมันไม่พ้นวิสัยของเราขอให้ฟังให้ถึงใจนะมีทุกคนกิเลสหามาเต็หมหัวใจด้วยกันเป<ม>็นสิ่แม้ผมผูเ้เทศนี่ก็ตัวหาฟองกิเลสกองวัฏจัมากี่พวกกี่ชาติคือหน้าสามารถชนะป่านได้แต่เป็นความที่เชื่อร้อยเปอร์เซ็นเรื่องพวกชาติที่สืบเนื่อมาเดยลำดับเป็นของมีประจําจิตที่มีอวิชาฝังใจโดยไม่ต้องสงสยัยอันนี้เราเชื่อ มีพันเปอร์เ็นเราก็เชื่อพันเปอร์เซ็ทยจะมาคัดค้านใครจะมาลบล้างความเชื่อของเราที่ฝังตรงขนาดนี้แล้วเป็นไม่ได้ในสามโลกชาตินี้ไม่มีผู้อันใดที่จะมาถอดถอนความเชื่อของเราอย่างนี้ให้หมดไปได้ว่าตายไม่เคยเกิดมาว่าไม่เคยเกิดไม่เคยตายเราไม่สงสารเพราะเรามาจับหลักฐานพยานภายในจิตใจของเราได้ เมื่อปฏิบัติเข้าถึงทำขั้นล ะ, ะเอียดโดยลำดับเป็นแบบนี้มาจักได้อย่างชาัดเจนต้นส า, าเหตุมาจากไหนพาให้เกิดเกิดตายเป็นเพราะอะไรอะไรเป็นสาเหตุที่จะเป็นไปข้างหน้าอะไรเป็นสาเหตุก็อันที่เคยเป็นสาเหตุนั่นแหละมันจะพาให้เป็นไปข้ในอนาคตอวิชาปัิญาสั้งข้าราน่าอันนี้ไม่นอกเหนือไปจานี้อืยการทุกข์เราก็ทุกข์มาพอแล้ว เราอยาเห็นว่าอะไรมันดีในโลกนี้มีพุทธธรรมสงสรุปแล้วทำรรถ้าทําคำสงสารคำบพรุษเจ้าเนั้นที่จะสามารถหรือเรายกเราให้พ้นจากทุกได้ด้วยอํานาจแห่งความภาคเปลี่ยนของเราที่ น, นาําธรรมมากครอบประคองตัวเด็กอย่าไปคิดถึงเรื่องอะไรในโลกนี้ว่าจะเป็นของแบบประหลาดอัศจรรย์ก่อที่จะให้ฟุ้งเฟอเหือกเขิม ไปตามจนลืมเนื้อลืมตัวและลืมความภาคเพียงลืมอัดลืมทำซึ่งเป็นธรรมประสงคอยู่แล้วนี้กลายเป็นของมันมีราคาไปเสียโดยไปเห็นสิ่งที่ไม่มีคุณค่าราคาว่าเป็นสายร่าสาคัญ น, นั่นเป็นความเห็นผิดเป็นความเห็นปรามกิเลสซึ่งเคยคล้อยตามมันมาแล้วโดยไม่รู้สึกตัวทำต้องคัดค้านเสมอค้านกับกิเลสเพราะกิเลสคัดข้านทำเสมอเพราะไปขนาดสิ่งต้องสั่งสม สติปัญญาขึ้นให้พอกับความต้องการพรสติปัญญาเป็นอาวุธสํางการที่จะป้าฟันหันแหลกกับกิเลสทุกประเภทไม่มีประเภทใดจะนอกเหนือสติปัญญาศรัทธาความเขี่ยนนี้ไปได้เลยเราให้หนักแน่นนักปฏิบัติเราเป็นทาสทั้งอง์เป็นผู้ชายทั้งคนบุรุษทั้งคนบูรทั้งเป็นอาชาันาในตัวเองเอให้จริงให้จังยาไปคิดลอดแผลว่า ความคิดท้อแท้ใหญ่นั้นเป็นเรื่องของกิเลสทั้งมวลไม่ใช่เรื่องของธรรมไม่ใช่เราประกติทำความคิดจันนั้นไม่ได้คิดเพื่อเพื่อธรรมเป็นความคิดฝ่ายสมุทัยที่จะเพิ่มกิเลสขึ้นแล้วทําให้เราเกิดความทอ้อถอยอ่อนใจลงไปโดย ล, ง ล, ง ล, ง ล, งลงําดับผลประโยชน์ที่จะคฝึได้จะไม่ปรากฏเลยไม่สมเกียตินาที่เรามุ่งมั่นมาเพื่อเพื่อธรรมกิเลสมันแทรกกับเราตลอดเวลาเผลอไม่ได้เอาให้ตามตรงนี้ให้ดี เผลอเมื่อไรที่ต้องแทรกันทีแทรกันทีมันคอยที่อยู่เสมอระวังคือคอยทีสติปัญญาเผลอเมื่อไรเป็นออกทั้งขานเผลอเมื่อไรเป็นปรุงสัญญาความหมายนี้ยิ่งละเอียดกว่าทั้งขานเท่าที่สังเกต ด, ดูในขันอันนี้ทั้งขานปรุงแยกออกไปเป็นเรื่องนั้นเรื่อ ง, องนี้อสัญญานี้มันไม่ได้แยกเวลาเรากาหนด ขันมันเงียบสนิทขันได้จะแสดงออกก่อนหน้าหลังเวลานแสดงสัญญาขันนี่มันจะค่อยซึมซาบออกเหมือนกับกระดาษซึมซึมออกไปจนเป็นภาพขึ้นมาทําให้ได้สังขารตุงไปตามภาพนั้นเป็นได้ตรุงไปเป็นเรื่องเป็นราวเลยเพราะภาพเหตุการณ์ต่างๆที่มันแสดงขึ้นมาเองนะสัญญามัน ว้าพาขึ้นมามันสร้างขึ้นมาเองสลังขานก็จับวันนั้นตูงแต่วเลยไปเลยนีย่จริงจิ่ยเวลาเราเผลอเผลอเผอไปไม่ได้ละ่ะมันเป็นอย่างนั้นหนักก็ทนเราายาไปสนใจกับเรื่องความหนักควาเบาควาลลำบากลบาลบนปฏิบัติพระพุทธเจ้าของเราทรงดำเนินมาแล้วในทุกนง่ทุกมุมแง่ใดทีททด่เห็นว่าเป็นเหมาะสมแก่ การถังสอนทชโลกเข้เป็นไปเพราความลัดความตรงความสะดวกสบายพระพุทธเจ้าทรงเลือกเป็นหมดทั์สติกำลังของโผงแล้วก็เห็นแต่มัชฌิมาปฏิปทา น, นี่เท่านั้นอย่างอื่นไม่เห็นเรีว่านี่ลัดที่สุดเป็นทางลัดทางตรงที่สุดมัชฌิมาปฏิปทาไม่มีจินด้ที่นอกเหนือประจัง พยายามดำเนินแบบนี้ฉันพิยากง่ายเขายากง่ายอยู่ในทางตรงแล้วเดินทางลากเดินทางตรงอยู่แล้ว ย, ยากก็ช่างมันเดินทางอ้อมยิ่งยากทั้งยากทัอ้อมทั้งโคตทั้งโค้งดีไม่ดีหลงทางไปเลยนี่ถูกนี่ถึงสิหมายตันทามได้ยินหลักให้มีทำจิตใจให้อง่นอาจแก้ขานพิแค่งเปลี่ยนแปลงคอยดูสังเกตดูกิเศษมันจบบ กสิทธ์กส่าขึ้นมาภายในจิตมันอยู่ในจิตในกิเลสอย่าเข้าใจอยู่ที่อื่นอในกํามพีบวลานมีแต่ชื่อกิเลสบาปธรรมเท่านั้นแหละความโลภความโกรธความหลงราคะตันหากิเลสพันห้าตันหาร้อยแปดธนวัฒแต่คะแนนไปนั่นแต่คะแนนไปอย่างนี้พระสูตรก็ดีพระวินัยก็ดีพระปรมัาทก็ดีเราไปเห็นนั้งแต่ชื่อทั้งนั้นแ่ะพระสูตรเขีไว้นะว่าพระปรมาัาท ชื่อของอัดของทำชื่อของกิเลสกัญหาอาสวะประเภทต่างๆที่มันแสดงอยูภายใ น, ในใจิตใจของสายโลกพบจับแสดงลงมาที่นี่เมื่อแบบโท่องไปนี่พ่านไปแล้วเป็นหลายร้อยปีทึ่หนึ่งมีผู้มาจดใจลึกนะเนาะทาให้เป็นกลุยเป็นหมายไว้ในกมภีใบลายเป็นแผนที่ทางเดินเราทั้งหลายจึงได้ไปอ่านนั้นแล้วก็ไปติดกันที่ตรงนั้นเรียนได้มากเป็นน้อยเท่าไรก็ ถือความเจบความจํานั้นว่าดเป็นของตัวนะว่าดตัวรู้ตัวฉลาดทั้งๆที่กิเลสความเผารนอยู่นในภายในจิตใจร้อนยิ่งกว่าภูขเขาไฟทั้งลูกไม่ได้ลดหย่อนลงไปเลยเพราะความจําเป็นเหตุ น, นั้นนอกจากเพิ่มกิเลสขึ้นด้วยความสังพันตนวัวรู้ฉลาดเพราะเรียนมากทั้งนั้นไม่เห็นมีอย่างอื่นใดนั่นแหละเรียนผิดไปเรียนให้ถูก จำชื่อกิเลสตัณหาอาสวะประเภทต่างๆจำวิธีการของอะไรที่ทำที่ท่านแนะไว้ตัวการแจกขายถอดถอนหรือปลดเครื่องกิเลสภัสดุ์ได้จากนั้นแล้วย้อนเข้ามาสู่ตัวจิตคืออยู่ที่ไหนกิเลสบาปธรรมอยู่ที่ใจคําว่าราคะความกําหนัดยินดีอยู่ที่ไหนถ้าไม่เกิดขึ้นที่ใจโทสะความปัทธราโกธาความโกรธเรียวต่างๆมันอยู่ที่ไหนมันอยู่ที่ใจแสดงขึ้นที่ใจ โมหะ ค, ค, ความโล่งความหลงก็คือความโลภก็คือคือความอยากความทยอทะยานอบบ น, นี้มันอยู่ที่ไหนหนังสือท่านมาแสดงความโลภความโกรธความหลงให้ เ, หเราได้เห็นอยู่ในคำผีแต่ใจนี่มันแสดงในตลอดเวลานี่อยู่ตรงนี้ย้อนเข้ามาตรงนี้จิตเรศมันอยู่ตรงนี้อย่าไปมองในคำผีนั่นทา่านชี้เขม็มทิศเข้ามาหาใจเราไม่ประมาททานอกทําในทํานั้นเป็นทํานอกเพื่อชี้แจงเข้ามาสู่ทําในให้ เราได้พึปฏิบัติเป็นปุยหมาป้ายทางบอกเข้ามาเห็นทิศชี้เข้ามาตรงนี้เข้ามาที่ใจนี้เราทั้งหายได้พอพึ่งปฏิบัตินี้ว่าอย่างนั้นต่างหากเราจะไปหลงเพงลินเราจกลายเป็นนอนแทะกระดาษไปไม่รู้จุดตัวอ่ามันตรงนี้พระพุทธเจ้าท่านจัดจะรู้จัดรู้ที่ตรงนี้มีความอาศร์หานหน้าเลย วิธีการปฏิบัติของเราแต่ละองค์ละองค์ให้มีสติปัญญาเป็นสำคัญนะการต่อกว่าความเพียรสติเป็นสำคัญอันดับแรกที่เดียวเป็นภาพพื้นแม้การเริ่มต้นพื้นผัดก็ต้องใช้สติมีสติเป็นภาพพื้นเสมอเราจะใช้เกิดเราจะใช้ทางด้านปัญญาไม่ว่าปัญญาขั้นใดสติเป็นของสำคัญอีกเช่นเดียวกันต่อเนื่องกัไปเรืดับ สติจึงเป็นของจําเป็นอยู่ตลอดเวลาดังที่ท่านกล่าวไว้ว่า ส, สติสบายทปัฏเถียสติจันตองกาสนาในที่ทั้งปงวงอนุภาพัางที่ทั้งปวงไม่มีเลือกไม่มีเว้นครอบหมดเลยไม่ว่าจะทําจิตการงานภายนอกภายในก็ติดตั้งหือพยายามฝึกให้ดีอยาไปสนใจกับอะไรแล้วอยากคิดว่าอะไรมาเป็นภัยต่อเรา ว่ารูปมาเป็นภัยต่อเราเสียงมาเป็นภัยต่อเรากลิ่นรสเรื่องสัมผัสต่างๆมาเป็นภัยต่อเราคนนั้นคนนี้มาเป็นภัยต่อเราอะไรมันเป็นความคิดความปรุงของจิตใจซึ่งออกจากใจนี้เองไปปรุงเป็นภาพเป็นเรื่องเป็นราวนั้นขึ้นมาก่อควรตัวเองต่างหากผู้ก่อเรื่องนี้ขึ้นมานั่นคือใจใจผู้ก่อเรื่องมาเรื่องมีอย่างนั้นอย่างนี้ดูตรงนี้เมื่อดูตรงนี้ ดูไม่หยุดไม่ลดไม่ละเราจะต้องทราบว่าที่ก่อเรื่องที่หาเรื่องให้เกิดความออยิ่งใหย่วุ่นวายนั้นคือที่ไหนงั้นก็รู้ที่ใจเท่านั้นพอใจสงบเงียบลงไปมันไม่มีเรื่องโลกมันก็เหมือนไม่มีถึงจะมีก็าตามไม่มีใครแต่ให้ความหมายมันความรู้อยู่กับตัวเองไม่ได้ให้ความหมายสิ่งใดทั้งหมดแม้ไนสดแม้ขันห้าที่มีอยู่ในตัวเอง เมื่อจิตไม่ให้ความหมายมันเสียอันห้ามันก็เป็นเช่นเดียวกับวัตถุต่างๆที่เราเห็นอยู่ด้วยกันนั่นก็คงเราเนี่ยเหมือนดินน้ําลมไฟที่มีอยู่ภายนอกมันมีความหมายในตัวของมันที่ไหนเราก็ให้ความหมายมันให้ชื่อให้นมามมันนั่นน้ํานั่นลมนั่นไฟนั่นต้นไม้มีภูเขานั่นอยูนั่นชายว่าไปเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดจิดหมายปายทางาไล่เลยไล่บ้าไปเนะี่ยจิตไม่มีสติ เหตุไม่ต้ให้ความหมายเสียจิตจะมัดระวังตัวดีเหมือนก็ไม่มีอะไรเราก็ได้สนุกค้นตัวเหตุมันก่อเหตุก่อเรื่องก่อราวอยู่ภายในใจได้อย่างเต็มไม่เต็มหน่อยถ้าเราจิตของเรายังเสียดายที่จะไปสนใจรู้กับสิ่งนั้นเสียงใจรู้สิ่งนี้แล้วนั่นแหละคือเรื่องที่เล ด, ดมันผักดันออกไปให้เราคิดกับเรื่องภายนอกมากยิ่งกว่าเรื่องภายในยที่เล ด, ดมันหลอกออกไปนน้นให้เราตัครุบเงามัน Neder นน้นตัวที่เลดจริงๆมันอยู่ที่ใจไม่ได้ตัดครุบมันไม่ได้ ขยำขยี้มันตรงไหนเพราะฉะนั้นจึงต้องสนใจลงที่จุดนี้จิตมันไม่มีจุดที่ควรจะจะจับได้ว่าตรุงที่ตรงไหนเอาจะตั้งคำบริกรรมตั้งให้ให้แน่แม่นยาำมันรู้อยู่กับคำบริกรรมอาไม่เอาอะไรละคำบริกรรมนี้เท่านั้นจะเป็นผู้โผล่หรเป็อะไรก็ถามอาอยู่ตรงนี้รู้อยู่ม่หยุดไม่ถอยแล้วความรู้มันก็ค่อยสืบเนื่องเข้ามากระแสะของจิตที่ก้าน ต่ใอารมณ์ต่างๆมันก็สู้ความตั้งใจสู้การมาคับบัญชาจิต ด, ด้วยแล้วติไม่ได้แล้วมันก็จะร่ำกระล่อมเข้ามากระแสของจิตกรล่อมเข้ามาสู่จิตเป็นความสงบเย็นขึ้นมานั่นเห็นได้ชัดอนันหนึ่งการพิจารณ า, ากายเหมือนกันจะพิจารณาอรุภะเป็นของปฏิกูลโสโครกภายนร่างกายทุกสัตว์ทุกส่วนไม่มียกเว้นก็คือร่างกายอันนี้แหละ เป็นกองปฏิคูนนี่ตามหลักความจริงความปีนเลียวของทรามความรู้สึกของเราความรู้ความเห็นของเราที่มันปีนเลียวทํรมว่าเป็นเราเป็นของเราเป็นสัตว์เป็นบุคคลนั่นคือตัวพิริยอยางแน่นอนร้อยเอร์เ็พยายามแก้ตรงนี้ด้วยการแยกธาตุแยกขันธ์แยกอวัยวะส่วนต่างๆมาเห็นทั้งเป็นฝ่ายปฏิคูลทั้งเป็นฝ่ายธาตุอะไรเป็นธาตุเนี่ย ปัถวิกธาตุออาปโปกธาตุวายกุกธาตจนกระทั่งมาถึงมโนกธาตุธาตุค้ว่าอย่ า, า, านี้นี่แหละพิจารากายเรื่องร่างกายเอาเรื่องความตายเกิดมาแล้วมันตายคนตายมีคุณค่าลายไม้ไม่เห็นมีคุณค่าสู้ปลาตัวหนึ่งก็ไม่ได้ปลาตัวหนงทานี่เข้าเข้าตลาดสัสตว์ต่างๆตายเนื้อนังมันเข้าตลาดมีประโยชน์ไปหมดทุกชิ้นทุกอันของมัน แต่มนุษย์เรานี้ตายไม่มีประโยชน์อะไรถ้าไม่ทําประโยชน์ให้เกิดเสียตั้งแต่บัดนี้ยิ่งเราเป็นพระด้วยแล้วก็เป็นเพศพิเศษด้วยแล้วกัหน้าที่การ ง, งานของเรามีเฉพาะการมันเป็นตัวให้รับความหุกพ้นจากที่เดือดอาสรรโดยมีประชาชนศรัทธาทั้งหลายเขาสนับสนุนไม่มาวุ่นวายเรารับความลําบากระบนพรเกี่ยวข้องกับการติดต่อ ปฏิยัญฐานตอนราบเท้ามีแต่หน้าที่ของเราทําโดยถ่ายเดียวเอาให้เต็มเม็ดเต็มหน่อเรามีหน้าขี้ต้องเอาให้เด็ดเอาให้จริงดูจะหน้าความตายเอาให้มันเห็นชัดๆเรื่องความตายตายอย่เต็มโลกเต็มมือสารตายทั้งหญิงทั้งชายทั้งสัตว์ทั้งหมู่คนในว่าดอยูที่ไหนมันมีแต่ป่าช้าของสัตว์แม้ที่เรานั่งอยู่นี้มันก็มีป่าช้าของสัตว์สัตว์เล็ก ๆ, ๆน้อยๆมันตายเกิอดอยู่ตามแถวนี้เราไม่สําคัญท่านหมายไปเฉยว่ามีที่นี่คือป่าช้าเาราว่าแต่ซาลา แในร่างกายนี้เหมือนกันไม่ใช่มีแต่ร่างกายเราสัดชนิดต่างๆซึ่งมันมีอยู่ในร่างกายีมีจํานว น, นมากเป็นเชื้อโรคอย่างนี้มีอยู่ภายในเต็มโดยหมดมันก็เป็นสัดชนิดหนึ่งนี่แล้วมันมีอะไรเป็นของสวยของงามทันน่า่าคับใจพิจารณาแย่กความันเห็นตามความจิงของพระพุทธเจ้าในความจริง ความเห็นของกิเลสนั้นน่ะหมักเป็นของสวยของงามมันว่าเป็นสัดว์เป็นบุคคลมันว่าเป็นเราเป็นของเราขนาดอุปทานยึดมั่นยิ่งตะปูตีก็ยังไม่แน่น่เหมือนอันนี้เหมือนอุปทานถอนไม่ขึ้นเลยงอ่ะเพราะอำนาจของกิเด็สความสําคัญตนนี่มันสู้กันกับธรรมนี่เราจะพยายามแก้ถอดถอนความสําคัญแบบนี้ซึ่งเป็นเรื่องของกิเลสรุน้วน ด, ด, ด้วยธรรมะคือสติปัญญาศรัทธาความเป็นทั้งหลาย เขาให้เห็นให้ชัดไงสำนวนลงจนกระทั่งเห็นมันตายจริงๆมันจะไปไหนเพราะความจริงความตายเป็นความจริงแท้ๆทาไมจิตเราไม่ยอมรับความจริงมันเป็นเพราะอะไรความปฏิกูลโสโครกในร่างกายส่วนต่างๆเต็มไปหมดไม่มีข้อยื้องนี้มันก็เป็นความจริงอยู่แล้วเป็นอย่างนั้นจริงๆอยู่แล้วทําไมจิตเรามันไม่เห็นมันเป็นเพราะเหตุอะไรคนันทำมันเห็นใช่เออเราให้เห็นด้วยสติปัญญาของเรา งานน้เป็นงานของเราโดยเฉพาะก็มีใครช่วยได้ครูบาอาจารย์ก็ช่วยจะอุบายต่างๆดังที่อธิบายให้งเลืยมาแล้วเนี่ยถึงจะทําหน้าที่ของตัวเองจริงๆมันเรื่องของเราช่วยตัวเราเอง ต, ตาหอีเป็นโูนนาโถเมื่อได้อุบาต่างๆจากท่านแล้วก็นําไปใช้จะเป็นประโยชน์แก่เราในขณะที่ฟังที่เป็นภาปฏิบัติก็ขณะที่ฟังทำได้รับความสงบเย็นใจ หรือมีอุบายอะไรนหนึ่งที่ยึดจากอรูบาาจารย์ขณะที่ท่านแสดงไปนอกจากนั้นแล้วการเราก็ต้องไปช่วยตัวเราเองนี่เป็นของสำคัญให้จริงให้จังผมเรเป็นห่วงหมูหม่เ้ืยอนหน้าจริ ง, จ ร, งจริงนะถึงต้องเลยอบรมเสมอไม่ปล่อยไม่ละถึงจะของมันมีความลาบากลาบนบ้างแต่พอที่จะถูถายเป็นไปได้เราก็ถูถาย ลืมภายนอกผมไม่ค่อยสนใจประชาชนเขาเป็นโลกนี่มันอยู่คนละโลกเรานี่เป็นอยู่ในโลกที่พร้อมแล้วในโลกแห่งศาสนาที่พร้อมแล้วที่จะทําตัวให้อยู่พ้นจากทุกไปได้ด้วยความเปลี่ยนของเราซึ่งมีหน้าที่อันเดียว น, นี้เท่านั้นพระเราอะไรก็ไม่อยากให้เข้ามายุ่งมากวนท่าด้บําเพ็ญเพียนด้วยความพอดุสบายเพราะเป็นจุดสําคัญของผู้บําเพ็ญศาสนา เพื่อเห็นแจ้งรู้แจ้งเห็นจริงภายในใ จ, ใจิตใจต้องด้วยอํนนานาจแห่งความเพียรเดินจงกรมนัง่งสมาธิภาวนาโดยความมีสติสตังเป็นความเพียรอย่างเดียวตัวนี้เป็นของสําคัญยิ่งกว่าอย่างอื่นเราไม่เห็นงานใดที่เป็นของเกิดเลินเลยในโลกนี้พอที่จะให้เกิดความสนใจแล้วเผลอจากหลักอันนี้ไปคว้านุนคว้านี้มายุ่งมาก่อมาสร้างมัวุ่นวาย เป็นการบรบกวนความภาคเพีเยรอันสำคัญงานอันสาคัญให้เสียไปเราจะกมีความจำเป็นเท่านั้นเป็นแค่ทาจาเป็นไม่ให้ทำทำอันนี้ทุ่มเทสติกำลังวังชาที่จะไปในแง่อื่นงานอื่นเข้ามาสู่งานแกลกิเลศนาอสวาณนี่มันก็เป็นมันเป็นประโยชน์อะไรนั้นอีกเวลามีกิเลสอยู่มากภายในใจมันก็ทุก ไม่ได้ทุกเพราะอะไรล่ะใจทุกะทุกเพราะกิเลสเท่านั้นแต่เราทราบมันอย่างถึงใจรู้ทุกขนาดไหนทุกมีมากขนาดไหนทราบว่าทุกมีมากขนาดไหนให้ทราบว่ากิเลสมีมากขนาดนั้นเสริมทุกขึ้นปิดทุกขึ้นมาให้ใจรับความเดือดร้อนไม่มีอันใดที่จะทําใจให้เด้ c, รับความเดือดร้อนนอกจากกิเลสอย่างเดียวเท่านั้นให้ฟังให้ถึงใจจําให้ถึงใจเห็นโทษกันให้ถึงใจ ตวัว่า็นว่ากิเลสเป็นไทยก็ให้เห็นอย่างถึงใจเราจะได้ประกอบความภาคเพียรอย่างเป็นเม็ดจํานหนวยและถึงใจเช่นเดียวกันจึงจะทันกันกับกิเลสนาว่าซึ่งมันเคยเรื่องมามากมาเป็นเวลานลานกี่กัดกี่กันนับไม่ถ้วนเลยเรายังจะพอใจเกิดใจตา ย, ตายอยูเอะมีผู้ใดที่แปลกประหลาดก่อโลกในโลกทั้งสามไม่มีขัดก็มีพระพุทธเจ้า พ, พระองค์เดียวเป็นพระองค์แรกทีเดียวทรงรู้ทรงเห็น ภัยของกิเลสหรือนอกจากนั้นไม่มีใครเห็นภัยไม่มีใครเห็นโทษของกิเลสเลยไม่ว่าความโลภเนี่ยความโกรธเนี่ยความหลงราคาตันหาหลงดิ้นตายไปกับมันหมดแั้วเนี่ยมันลากเอาถลอกปอกเปิดเกิดแล้วเกิดหลอดตายแล้วตายหลอดในภกน้อยพวกใหญ่ไม่มีกํกาหนดกดเกณฑ์หาตัวประกันไม่ได้แล้แต่กรรมตัวเองกรรมตัวเองก็ไม่เป็นที่แน่นอนว่าได้ทําอะไรกันมาบ้างแต่พระเจ้าท่าน สามารถทำละท่านเห็นโทษในสิ่งนี้โลกโลกรธหลงเห็นโทษอย่างประจักรพรรดิแก้ยึดทำความเพียรห้ามหันกันอย่างเป็นที่เต็มฐานถึงจะตาพระองค์ก็ไม่ถอยจนกระทั่งเลิกปราบปรามสิ่งเหล่านี้ให้หมดได้จากพระรดยกล า, ายเป็นพระทัยที่บริสุทธิ์ขึ้นมาเป็นาศาสดาเอกของโลกนั่นนี่แหละความรู้ความเห็นของพระพุทธเจ้าแปกจากโลกทั้งหลายทั้งสามโลกกถาไม่มีใครที่จะได้ความรู้ความเห็นอันฉลาด อาจเปือมนี้มาปราบสิ่งที่เป็นภัยต่อจิตใจได้เหมือนพระพุทธเจ้าเลย้ <S <S ามาสั่งสอนสาโลกกสั่งสอนอย่างนี้แหละเฉพาะอย่างยิงย่งพวกเราที่ฟังมีตั้งหน้าตั้งตาหรือว่ามุ่งหน้ามาแล้วเต็มเม็ดเต็มหน่วยร่อยเปเ็นที่จะมาปฏิบัติตนและฟังธรรมะของเจ้าให้ถึงใจปฏิบัติให้ถึงใจก็มีพวกเรานี้เท่า น, านั้นเอาให้กินให้จัง เราเนี่อยากให้หมเพื่อ้รู้ได้เห็นให้เกิดความสงบทางใจด้วยจิตตภาวนาของตนจริงจรงินอกจากความสงบในทางจิตตภาวนาแล้วอยากจะให้ใช้ปัญญาพิจิตริจนานตามที่กล่าวมานี้ไม่ว่าข้างนอกไม่ว่าข้างในเพื่อพิจารณากายก็ดีเ อ, า ข, า, อ, า, เอ า, าข้างนอกคนจะเทลินในการพิจารณาข้างนอกเอามาตั้งไว้หาต่อหน้าเี่ ไม่ว่าเป็นรูปหญิงรูปชายรูปตัวสําคัญที่มันเป็นค่าศึกต่อจิตใจดีๆนั่นแหละอิทธิรูปังกันอ่ะทำมาตั้งว่าทางไม่ยังไม่แน่ใจอย่าด่วนเะทําให้มาใกล้ให้อยู่ห่างๆกัก่อนกําหนดตั้งภาพขึ้นมากําหนดลงให้มันเปื่ยมันปูพังแตกเน่าสลายไปหมดกําหนดแย้งการหมาจีนยื้อแยองกันยุ่งไปหมดเต็มลงเต็มต่านเป็นหล่ะมีกี่ภาพกี่ศกมีกี่รูป เอามากองตั้งเป็นแถวแล้วกําหนดเรื่องดาดดาบเพื่อของปฏิพุลโศกโคกเป็นป่าผ้าผีดิบไม่เห็นอย่างชัดๆนั่นออกจากนั้นย้อนข้นมาหาตัวเองเทียบกันลงได้ทุกสัทุกส่วนพิจารณาแล้วพิจารณาเล่าบ้างคาบจิตที่มันเดินอยู่ตามแถวนี้ไม่ให้มันเป็นเดินในความสวยความงามมันงามที่ไหนสวยที่ไหนมันไม่มีมันหาเรื่องไม่เฉยอี่ให้เลขาหาเรื่องขนาดนั้นมันยังเชื่อมนุษย์เราแต่พะอย่างยิ่งเรายังเชื่อมันได้ หาความงามที่ไหนมีมันมีแต่กองแต่กูลเอาของกตะกูลมาดูให้เห็นประจักถ้าทำไมมันจะไม่ยอมเที่ยวกับเ่จ่ า, จาละ่ะอ่ะมันจริงจังับเมื่อแล้วขยับเข้ามานี่พิจารณางั้นแล้วพอถจิตมีความกล้าหาญเอาขยับเข้ามาอีกเอาขยับเข้ามาเอามาใกล้ๆมันดูมันเห็นชัดเจนจากนั้นเอาให้มันสวยงามขึ้นมาสวยงาม ข, ขึ้นขนาดไหนตุ้มขึ้นมาแล้วก็อัธิภาพ ลาดมันลงไปเหมือนกับเอาน้ํามันลาดมันลงไปแล้วไฟเจอเข้าไปมันลุกโพรงฮะเป็นเปลวไปเลยน่ะเอุบาสกติปัญญาและตะครจจิกเป็นเป็นมรรคทั้งนั้นที่พูดอุบายเหล่านี้เป็นมรรคสังขารคือความปรุงนั่นแหละเป็นถัดกิเลสเป็นผู้บังคับให้ปรุงเป็นเรื่องของสังขารเป็นสมุนไทยมีไฟธรมะให้ปรุง เป็อัดเป็นทรรเครื่องแก้ที่เดือดยันที่เยื่อแค่เป็นอสุภะอสุพังของปฏิกูลเป็นป่าช้าผีดิตจนแตกก็จะกระจายสลาลงไปเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมไปนี่เป็นทั้งขานที่เป็นใส่มากเครื่องแก้เครื่องถอดถอนคําว่าสวยว่างามคําเป็นกลุ่มเป็นก้อนเป็นจัดเป็นบุคคลให้มันละลายกลายจากความเป็นหล่อนี้เสียมันลงไปเป็นผาดดินน้ําลงไปแล้วใครจะไปสําคัญมันหมายไปไรักไปชอบมันไงดิน นะ้ำลมปัปา่าแล้วปองนป่าช้านั้นเราเห็ น, ม น, นะ น, มนแม่คนตายใครจะไปชอบเหมือแม่คนตายมองดูแล้วดูได้เมื่อไหร่เกิดความสุขสังเวชขยะขแข็งจะตายไปแล้วทําไมมันมาเสร็บจานั่นมันเป็นของสวยของงามย้ำแล้วย้ำเล่าที่งานอยู่นั้นสติปัญญาบังคับมันยามันหนีไปไหนจึงชื่อว่าต่อสู้กันกับพิเรศถ้าเราปลอยปล่อยปล่อยปล่อยปล่อยพิญญาปอไปแล้วหายหา พอแล้ววันแล้วคืนแล้วปีแล้วเดือนใช่ไม่ได้เลยเห็นไหมไม่แต่เราพูดต่อพูดไม่จ่ายเราพูดทํางานเพื่อเพต่อผลเพื่ออเพื่อทำอย่างแท้จริงแกตัวเองผิดลักษณะของป็นลูกิษยาชญโคต้องไม่จริงจังทำมามีหลายอุบายวิธีเรื่องปัญญาที่เราจะนาํามาใช้เอาปัญญาใช้ขั้นไหนขั้นถ้าสงบไม่สงบเอาเอาอบายใช้แหละนั้นสงบด้วยการพิจารณานี้ก็อ้านั้นได้ เดน๋ยวสงบด้วยบริกรรภาวนานก็ให้ได้เดี๋ยวสงบด้วยความเป็นผู้มีฐานจิตอยู่แล้วกําหนดเมื่อไหร่มันก็สงบนั่นก็เป็นอันว่ารู้วิธีแล้วนั้นนะครับต่อจากนั้นให้พิจารณาทางด้านปัญญายานอนกอดความสงบยื้อเฉยมีเคยติดมาแล้วก็ได้พูดให้หมูขั้วเนฟังมาทราบขี่ร้อยขี่พันห่มนั่นแหละเพราะฉันจึงไม่อยากจะพูดถึงซ้ำซับซาหมูขั้วได้ยินแล้วเคยได้ยินแล้ว เราก็ติดสมาธิมาเท่าไหร่นั่นละเพียงสมาธิมันก็ได้แค่นั้นไม่ได้มากมายิ่งกว่านั้นพอใช้ปัญญาไปนี้มันมองเห็นสิ่งที่มาเกี่ยวข้องเกี่ยวโยงกันมากน้อยเพียงไรมันตากมันลาดมันฟันหั่นแหลกกันไปเดิมแบบคุยเขีาะขุดค้นขึ้นมาเท่าไหร่ยิ่งเห็นยี่เห็นยิ่งฟันกันทันแหลกไปด้วยสติปัญญาอสติปัญญาก็เป็นการฟึกตัวเองเป็นการฝึกซ้อมตัวเองให้มีกําลังกล้าขึ้นด้วยการพิจารณาเหล่านั้นอีกด้วย สติก็เหมือนกันมันเผลอต่อการพิจารณาสติปัญญาก็ไปตามๆกันเป็นอุบายวิธีของแต่ละญาติหลายที่จะห้ำคิดขึ้นมาใช้โดยลําพังตน เ, เป็นแตเพียงว่าเราพูดให้ฟังเป็นกลางๆน ล, ล้วแยกแยให้ไปใช้เป็นสม บ, บททัติของตนขึ้นมาคิดได้อ่านได้ปรุงได้พิจารณาได้โดยอุ บ, บายของตัวเองนั่นเป็นสม บ, บททัติของตัวแทน อันนี้เป็นตะกูวาจาหยิบยื่นให้จะให้หลุดิีนหลุดมือไปเสียแม้เกิดประโยชน์ให้แต่เอากับต้นทุนที่เอาไปจากท่านนี้ไปค้ากาไรให้เกิดขึ้นจากตัวเองด้วยความคิดทั้ตงตัวเอ ง, เองนั่นแหละมันเป็นของเองนี่พิจนมาโมนโลกฐานเต็มกับจิตกำลังความสามารถยิ่งทุกวันนี้ก็ไม่มีการมีงานอันอื่นได้แล้ว มันอด ไ, For ไม่ได้ที่จะมาคิดตามนิสัยของจิตสัมผัสอะไรนี่จะนํามาพิจารณาเดินไปตามถนนน้นทางหรือนั่งรถนั่งลาอย่างนี้กายเหมือนหัวต่อถ้าจิตมันไม่ได้เหมือนหัวต่อนี่มันกำหนดพั๊พั๊บพั๊พตามด้วยพอเข้าใจแล้วปล่อยแล้วสัมผัสตัมเขาอีเขาอีพิจารณามีเป็นนิสัยของจิตเราเขาเป็นอย่างนั้นแล้วก็ประมวลเข้ามาก็เห็นมีอะไรเนี่ย อันนี้ถ้าเราจะพูดถึงเรื่องของเกลดมนันมีแต่เรื่องที่เลียดหลอกคนให้เป็นบ้าทั้งบ้านทั้งเมืองทั้งแผ่นดินแต่เรากูดอย่งยี้โลกเขาก็จะว่าบ้านจิตรียาแสดงออกนั้นเขาไม่รู้นะี่นะระหว่างแบว่าอะไรพายแสดงออกมาในจิตรียาอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นเราทราบนี่น่ะเพราะเราได้เคยพิจารณามันแล้วมันเคยเป็นในหัวใจเราเล้ว เราได้เคยพิจารณาแล้วเราได้เคยแก้มันมาโดยลาดับหน่อยแล้วจนกระทั่งรู้มันอย่างชัดเจอเมื่อมันแสดงอยู่นในผู้ใดร า, ายใดไม่ว่าหญิงว่าชายเดินไปไหนมันแสดงอย่างไงอย่านบ้างมันรู้หมดมันเข้าใจ ท, ทัน ท, ทีมันเขาไม่เข้าใจเขาไม่รู้เขาเห็นใจเขาเพราะเขาไม่เคยศึกษาเขาไม่เคยเข้าใจวิธีแก้ไขและเขาไม่เคยแก้ไขแก้ก็รู้ได้อย่างไรเพรเป็นประการภาษีภาษานั้งใครจะเรียนความรู้มากเอาปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกมันก็ไม่พ้นที่จะเอาขี้เด็ก ที่ขึ้นอยู่บนหัวใจเตืนได้ความเรียนรู้มามากน้อยมันกลายเป็นเครื่องมืออันทันสมัยของกิเลสด้วยซ้ำไปถ้ามันมีธรรมะเข้าไปแรทรกแลือกิเลสจะได้สนุกใช้คนฉลาดดังนั้นเรียนมามากมันก็ฉลาดมีความลึกออทีนี้กิเลสมันซึ่งเป็นของที่ลึกซึ้งอยู่แล้วมันก็ยิ่งชอบใจมันได้เครื่องมืออัดีนั่นแหละถ้าไม่มีธรรมแล้ว คนที่เรียนม า, มากมากับดกองมีอำนาจวาส น, นามากเท่าไรยิ่งทําความเด็ดด้อนให้แก่ตัวเองและผู้อื่นได้มากมายโดยที่จะตัวก็ไม่ทราบว่าตนได้ทําความร้อนแก่ตัวเองแต่การทรํารอดให้คนอื่นนั้นอาจทราบได้บ้างแต่อย่างไรก็ตามความโลภความทะเยอทยานอยากความหลงอำน า, วนา จ, นนนนจวาสนาจนดื่มมือดื่มสวยมันบีบบังคับมันปิดหูปิดตาไม่ให้หรอ้ ถ้ามีทํา ม, มั่งมันต้องหลูอาจะโลกไปอะไรนักหนาตายแล้วไปเห็นตะกิจชาลาทำมาแล้วก็อยู่ในโรงนะั้นเห็นได้เรื่องอะไรก็เผาก็ไปแล้วก็พอไฟดับมันจะเล่าเสียออกมามันก็เห็นมีแต่กระดูกเท่าฐานเท่านั้นมีเท่ า, น, า น, นั้นได้อะไรแลจะตื่นไปอะไรนักหนาความทําอะไรมันกอบเราอยู่พอบสินอยู่แล้วในโลกอย่างนี้แล้วก็จะโลกไปหาอะไรความ มีแต่ว่า จ, จะมีความสุขเพราะความโลภความโลภมันเคยทําความสุขให้คนได้ที่ไหนความโกรธควาโมโหยตัวโมันเคยทําให้คนไมนมีความสุขเลยที่ไหนอราคาตันห า, า, าเวลามันเกิดขึ้นมามันดิ้นตายไปเหมือนหมาถึงเก้าวเริ่มตนั่นหมันหาความสุขเลยที่ไหนมันเหมือนการผ่นผ่านพอโลกอันนี้มันสงบลงไปมันไม่ได้ดิ้นนี่แล้วยิง่งจิตมีความสงบลงไปโดยล ำ, ำดับมันดับมันก็ไม่ดิน้นเรื่องเหล่า น, นี้มันยิ่งไม่ดิ้นฟาดมันขาดจากหัวใจลงไปเลยไม่มีสิ่งนี้มา กวนใจแล้วอะไรจะมันดิน้นออะไรจมากวนใจไม่มีอะไรกวนใจนั่นลหละสำหรอิสระความันก็เห็นได้ชัดแล้วที่นี่ภทยตัวสำคัญทุกโลกอันหนึ่งตัวก่อตัวกวนตัวเหยียบย่ทำทําลายให้เกิดความเดือดร้อนเป็นคืนเป็นไฟหลงอันหนึ่งคําโกรธอันหนึ่งราคะตันหาหนึ่งเป็นตัวใหญ่เหนี่ยวไฟทั้งกองทั้งกองเหมือนผูกเขาไฟเผาหัวใจอยู่ตลอดเวลาเราไม่เห็นตัวทั้งมันนี้ได้เห็นแล้วหนัก มันคัดเจนในใจแต่ใตนี้เมื่อได้อ่านอันนี้ให้มันชัดเจนแตกกระจาย ก, กระจายในคำพีที่เหลือปัญหาอาสวะพร้อมทั้งการถอดถอนได้อย่างสมความมากๆต่างหามองมปไหนก็มองที่ใหามันทำไมมันจะไม่รู้มันจีดได้หรือเพราะสิ่งเหล่านี้มันเหมือนกันนี่เห็นได้อย่างชัดเจนเป็นแต่เราไม่พูดเท่า น, านั้นที่ยาการที่มันแสดงออกอะไรๆนี่ เป็นกิเลสทางแสดงแต่คุณนั่นหาได้รู้ไหมนี่เราจะพยายามเรียนกลมมายาของกิเลสที่มีแสดงอยู่ในตัวของเราแต่พราะ อ, อย่างนี้ใน ใ, นใจของเราเรียนนั่มันเห็นชัดเจนในพิธีวิถันกับการตักของใจดูสังเกตดูใจ ย, ยาณเห็นว่าอะไรเกิดเป็นเรื่องอจะเป็นเรื่องความโลภ ก, ก็ดีความโกรธก็ดีความหลง ก, ก็ดีราคะตัณหาก็ดีให้พึงทราบมันเกิดขึ้นจากใจใจมันพูดปรุงใจมันู้แต่งใจมันพู้หิวโหยให้ดูตัวนั้น มันหงุดกับเรื่องอะไรเอาเรื่องนั้นมาขี่ชายออกกรูมันต้องการอะไรเอานั้นมาขี่ชายเพื่อให้มันเห็นแล้มันหายสงสัยเห็นรูปเป็นต้นผู้ชายขมายตั้รูปหญิงเป็นข้าศึกกันเอามาขี่ชายดูมันเห็นชัดเจนมันเป็นหญิงที่ไหนเป็นชายที่ไหนดูให้มันชัดเจนมันก็มีแต่ใส่จะพูดถึงเรื่องเป็นลำดับดาไปก็มีแจะเนื้อหนังเอ็งกระดูกเท่านั้นเอ้อถ้วออกแต่นั้นตรมี้จะของปฏิพุลโฉกโภคภายในภายนอกเยอ้มไปหมดเต็มไปของปฏิพุลมันสวยที่ตรงไหน S <S อันนั้ก็อาพังทลาลงไปยามัตายแล้วมันพุ่มันคลองมันเน่ามั น, ม น, ม น, ห น, นเหม็นแต่กระจายกระจายลงไปกลายเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟฮะใจมันเห็นได้ยอย่างชัดเจนความรักความมันหมาลันมันมันค่อยเบาลงเบาลงความจริงค่อยเด่นขึ้นเด่นขึ้นจริงในเรื่องปัจจุภาสุพังปฏิโโปุลโสโคกป่าชาพิดิตแล้วก็จริงไปถึงธาตุเรื่องธางตุต่างๆพอเข้าถึงขั้นธาตุเป็นเป็นความจริงละเอียดนะแล้วที่จิตอะไรจะวุ่นอะไรจะมาคัวจิต นีนะ่การแก้เจ้าของให้เยออย่างนี้สติปัญญาเอาให้ดีอย่าดู่เฉยหาอุบายคิดคลิปแฝ ง, ง, ง, งเสื่นมแฝงตัาเองอยากให้รู้ให้เห็นเหลือเกินเต็มหัวใจผองตัเพราะทำมาเหมือนกับอยู่แค่อึ่มมีนาอยู่กับหัวใจเจ้าของนี่แหละไอ้ความดุความพ้นจากสิ่งเหล่า น, นี้ก็อยู่ที่นี่ไอ้กิเลสตัวเป็นภัยขยีขายา่ขยำหัวใจอยู่ตลอดเวลามันก็อยู่ที่ใจนี่แต่แท้ไม่มาอยู่ที่อื่น สติปัญญาที่จะอย่างลงไปมันแทงทะลุกิเลสแทงสันหลังกิเลสมันขาดจะกระจายไปแทงหัวปอดกิเลสมันขาดจะกระจายไปจัดใจนี้มันก็ไม่พ้นกับสติปัญญาเราได้ก็อยู่ที่เรานี่ทําไมมันจึงแทงมาทะลุสี่แทงกิเลสไม่ถูกสีกิเลสแทงเราทํามันปั๊บได้ปั๊บนั่นแหะมันมีผิดมีพลาดก็คือกิเลสแทงหัวใจเราแล้วเราจะแทงกิเลสนี้กี่ร้อยกี่พันครั้งมันไม่เดืองเดือดลาอะไ แทงเงามัเสียไม่แทงตัวจริงมันหลอกว่าโน้นโน้นฉะนั้นร่นไปเงียบไปมันเสียตัวจริงมันอยู่ที่นี่กิตเล็มันหลอกตัวหลอกอยู่ที่นี่มันวาดภาพหลอกขนนู้นแล้วนิ่งกางเงามัเสียไม่ได้เรื่องมาแล้วย้อนเข้ามาดูตัวเหตุมันดูที่ใจมันอยู่ที่สงบกับสงบลงที่นี่จิตเล็กสงบสงบลงที่นี่ถ้าสติปัญญาอยู่ที่นี่ที่จะปราบจี่เล็กให้สงบตลอดถึงนาบลงไปต้องอยู่หรือเหลืออยู่ที่นี่เอาให้จริงให้จรง อ่ะอนี้ให้ธรรมญาปฏิบัตผู้